ที่รัของคริสติน่าที่นอนสนิทนิ่งอยู่แล้วพินเดินตามเข้ามาด้วยซุกตัวลงนั่งข้างๆหลอนพอหลอนหันไปคว้าเครื่องวัดความดันกับประหอดวัดไข้เขาก็บุกมือเอาละเอาละ่ะไม่ต้องสาธิตอธิบายอะไรละคุณผมคิดว่าผมพอจะเข้าใจวิธีอยู่มั่งอะเป็นนั้นว่าผมรับหน้าที่นี้แล้วกันเบนยกมือเท้าเอวโคลงหัวช้ช้ จะว่าซื่อนะก็ไม่เชิงจะว่าคดก็ไม่ใช่แต่ที่แน่ๆก็คือมีเหลี่ยมมีลูกไม้พอสมควรทีเดียวแหละคุณนี่ทำไมคุณจะไม่เป็นในเรื่อง ง, ง่ายๆแค่นี้ในเมื่อแฟนของคุณก็เป็นหมออยู่แล้วที่ฉันขอรอนะ้องน่ะมันไม่ใช่อะไรหรอกคุณคุณเป็นคนนอนวัยแล้วก็พักผ่อนมามั่งแล้วไม่ต้องมเฝ้าดูคริสตลอดคืนหรอกเพียงแค่ถ้ารู้สึกตัวก็สังเกตก็มั่งเป็นครั้งคราวเท่านั้นะ เห็นหั้ยริมฝีปากเขียวซี่แตกเป็นสะเก็ดหน้าขาวอย่างกระสบคุณไม่สงสารเขามั่งเหรอจับดูสิตัวร้อนอย่างก็ไฟฉันรู้ว่าคุณไม่อยากจะเข้าใกล้คริสโดยไม่จำเป็นริมฝีปากของหลอนยิ้มหยันขณะที่จ้องหน้าไม่ใช่เพราะเกลียดชงังขยะขแยแงอะไรหรอกแต่คุณกลัวไง กลัวจะผิดสัจจญาที่ให้ไว้กับผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมกระพินนิ่งยกมือขึ้นขีบสันจมูกหลับตาลงเสียงเบนกล่าวต่อมาแผ่วเบาว่านี่คุณฉันขอให้คุณเห็นแก่มนุษยธรรมมั่งคนป่าสักคนเป็นอะไรลงไปคุณยังวุ่นวายเจ้ากี้เจ้าการ ช่วยรักษาพยาบาลได้สาระพะัดตัวเองทำไม่ได้ก็หาทางบีบบังคับให้พวกเราต้องช่วยแต่นี่ผู้หญิงคนนี้พวกเดียวกับเราแทๆ้ๆจะต้องให้ฉัฉนพูดไหมว่าวันที่คุณถูกไอ้ผีดิบนั่นล่อไปตกเหวใครใครเป็นคนไปเชือกลงไปกู้ชีวิตคุณขึ้นมาแล้วใคร เป็นคนดูแลรักษาพยาบาลคุณตลอดทั้งคืนบนหน้าผาตะเคียนทองและเดี๋ยวนี้ผู้หญิงคนนั้นมาตกอยู่ในสภาพนี้เข้าบ้างใจคุณใจหินสักขนาดไหนรพินไพรวันสะบัดหน้าสองสามครั้งเบนดาเขาอย่างเจ็บแสบที่สุดซึ่งเขาก็ไม่มีทางจะปฏิเสธหรือโต้ตอบได้เลย ผมรักน้ำใจพวกคุณที่ไม่ได้มีความเห็นแก่ตัวและมีความรักความจริงใจให้แก่พรรคพวกอย่างแท้จริงทั้งๆ ท, ที่ดูผาดผาดแล้วคุณน่าจะเกลียดคริสตินามากเพราะเขาเป็นคนน่ากลัวสำหรับคุณเคยทำร้ายคุณด้วยเวลาเขาไม่พอใจขึ้นมาเรื่องนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องนอกประเด็นที่จะามาคิดในเวลาเช่นนี้ไม่ได้ และ ว, วันนี้ฉันเองก็รุนแรงกับเขามากฉันต่อยเขาจนสลบในขณะที่พวกผู้ชายน่ะจับตัวเขาไว้ครับเรื่องนี้ผมพอทราบแล้วก็อยากจะถามว่าทำไมคุณจะถึงต้องรุนแรงกับคริสถึงเพียงนั้นด้วยก็เขาเกิดบ้าคลุ้งคลั่งที่จะวิ่งเข้าไปในทะเลไฟเพื่อจะเข้าไปค้นหาตัวคุณไงในขณะที่คุณน่ะไปนั่งกระดิกเท้าสบายใจเฉบอยู่อีกแห่งหนึ่ง พวกผู้ชายก็ไม่กล้าทําอะไรได้แต่ล็อกตัวเขาไว้ฉันดิเห็นถ้าไม่ดีก็เลยคิดว่าหยุดเขาไว้ด้วยกำปั้นยังดีกว่าจะปล่อยให้เขาเข้าไปถูกไฟเผาทั้งเป็นพระจิตใต้สํานึกที่เป็นห่วงคุณรู้ไว้ซะด้วยบางขณะนะั้นคริสก็เป็นคนไร้เหตุผลเหมือนกันเพราะเขาเป็นคนเก็บซ่อนงามอะไรต่ออะไรไว้ในใจมันระเบิดออกมาเมื่อไหร่พวกเราถึงได้รู้กันไง อิซเบรความจริงอะคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีเกินกว่าที่ผมคิดไว้ในครั้งแรกมากนะคุณเป็นคนรักเพื่อนและไม่มีความเห็นแก่ตัวเลย่ลอนเอื้อมือมาจิ้มที่อกเขาแต่คุณน่ะแหละเป็นคนเห็นแก่ตัวที่สุดไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่น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 ะสยปากเน้นถ้อยคำกระแทกใส่หน้าเา้าผมเป็นเช่นนั้นเหรออืมถ้าจะจริงนะแต่ผมก็ภูมิใจลมๆแรงๆของผมที่จะเป็นคนเห็นแก่ตัวในแง่ที่คุณบริภาทนั่นแหละเพราะว่าความเวทนาสงสารมันจะเป็นพื้นฐานบอกเกิดทางความอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่าง ซึ่งผมไม่ปราถนาที่จะให้มันเกิดขึ้นแยกให้ออกสิคุณระหว่างความรักกับความเห็นใจมันไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปด้วยกันหรอกหน้าคุณก่อนนี้ที่พบครั้งแรกมันก็หล่อเหลาคมคายดีอยู่หรอกแต่ทุกวันนี้เหมือนอะไรรู้ไหมโน่นหินหรือมิฉะนั้นก็ไอศกตายซ่า มันไม่มืนนปที่พวกเราเชิญกันมานั่นแหละรพินไพยวันเงียบ ก, กริบยกมือขึ้นลูปใบหน้าคุณเคยได้ยินประโยคนี้มั้งไหมในความเงียบโดยมีร่างของคริสตินานอนขั้นกลางอยู่เบลแผ่วเสียงลงอะไรล่ะคุณ ประโยคที่ว่าจงรักนางผู้ซึ่งอยู่ใกล้ชิดสูงในขนาดนี้เถอะเพราะนางผู้ที่ห่างไกลาจากตาสูงไปย่อมจะหลอกลวงสูงไงผมไม่ยึดถือสุภาษิตอย่างที่คุณว่านะรแต่ผมถือสุภาษิต ท, ที่ว่ารักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียว เสมออยู่หอหแห่งเดียวร่วมห้อ ง, องรักแท้น่ะคุณต่อห่หางไกลกันขนาดไหนใจ ย, ย่อมถึงกันเสมอแม้จะตายจากกันแล้วก็ตามจะไม่มีวันทรยศขบถรักนอกจากรักเทียมเท่านั้นล่ะคุณถัางั้นก็ตามใจคุณเราจะไม่มีการพูดกันถึงเรื่องนี้ คุณในฉลาดได้ทุกเรื่องแต่โง่งั่งอยู่เรื่องเดียวฉันจะไปนอนละกล่าวจบเบรขยับจะลุกขึ้นไปง่ายๆรับพินคว้าข้อมือไว้อ่ะเดี๋ยวคุณลืมแล้วเหรอไหนคุณว่าจะปลุกคริสขึ้นมาแล้วก็ให้ทานอาหารอ่อนๆก่อนจะให้ยาคืนปล่อยให้นอนสมอย่างงี้อาการคงไม่ดีขึ้นหรอก หล่อนทำท่านึกขึ้นมาได้เอื้อมมือมาแตะที่ไหล่เพื่อนสาวขย่าเบาๆแล้วก้มลงปลุกอยู่นานพอสมควรปลือกตาของคริสติน่าจึงค่อยๆพยเยือขึ้นอย่างสลึมสลือคริสเธอไม่สบายนะกินซุปร้นรอนๆซะหน่อยนะนะนะแล้วเดี๋ยวจะได้กินยา ดวงตาของแม่ผมทองเห็นชัดว่าหนักอึ้งลืมแทบไม่ขึ้นแต่กระนั้นหล่อนก็ปฏิบัติตัวเป็นคนว่าง่ายดีที่สุดพอฟังได้ชัดว่าเบลพูดยังไงก็พยายามจะทรงกายขึ้นนั่งอย่างยากเย็นระพินประคองหลังไว้ขณะนั้นเองเชิดวุตรก็เดินปราดเข้ามาทันทีแต่ก็ต้องกระดุด ก, กลับไปโดยเร็วเมื่อเบลสั่งให้ไปอุ่นซุปกระป๋อง ผมคิดว่าจะให้กรูโคสหรือน้ำเกลือไม่ดีกว่าแล้วหมอดูท่าทางคริสจะไม่มีแรงแล้วคงจะไม่ต้องการอาหารใดๆทั้งสิ้นอ่ะคือกินอะไรเข้าไปแล้วอาจเจียนมันจะยิ่งไปกันใหญ่นะคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอทดลองดูก่อนถ้าเขากินไม่ได้หรือทําอะไรไม่ได้เลยก็เห็นจะต้องกรูโคสหรือน้ำเกลือนั่นแหละไม่อยากให้โดยไม่จําเป็นนะเดี๋ยวอาจารย์จะตกใจ เชื่อผมเออคุณเอาวิธีสะดวกที่สุดแล้วก็ได้ผลที่สุดดีกว่านะคนไม่สบายแล้วก็อยากจะนอนขนาดนี้คุณจะปลุกขึ้นมากินอาหารผมว่ามันไม่ถูกเรื่องนะอาหารทางเส้นเลือดจะช่วยฟื้นตัวได้เร็วนะคุณอา้อาวอ้าวตไหนว่าไม่มีความรู้ในเรื่องแพทย์ไงล่ะคุณหล่อนอดเปงไม่ได้เอาเอาจะเอาอยัางไงก็ได้ พุ่ง น, นี้คุณจะได้บังคับถูรูถูกกลางให้เขาไต่เขาต่อไปแต่ถ้าคริสล้นลงมาตายแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นผมรับผิดชอบเองครับเราจะดูแลอาการของเขาอีกครั้งถ้าเห็นว่าไม่ไหวก็เห็นจะต้องให้พักต่อละพร้อมกับบอกระพินประคองคริสติน่าซึ่งพูดอะไรยังไม่สู้รู้เรื่องนักเพราะความงวเงียให้นอนลงไปตามเดิม กระซิบข้างหูจากระพินเรียกคริสติน่านะได้ยินตอบด้วยนะครับฉันได้ยินคุณคุณอยู่ที่ไหนอ่ะออนะนะนะแม่ผมทองทองพันตอ บ, ต อ, บอย่างเลื่อนลอยอเหมือนคนเคลิ้มฝันและตกอยู่ในห่วงพวัง อยู่นี่ไงใกล้ๆคุณตรงนี้แหละคริสแล้วฉันล่ะอยู่ที่ไหนก็อยู่พร้อมหน้ากับพวกเราทุกคนเนี่ยคุณไม่สบายนะรู้ตัวไหมฉันสบายหลับสบายดีแล้วไม่อยากตื่นอีก คุณต้องตื่นคริสตื่นเมื่อแสงตะวันขึ้นเราจะเดินทางกันต่อไปเพื่อขึ้นไปเห็นสระอันสวยงามบนยอดเขามีสระโบกกรณีมีหงดำหงขาวลอยฟ้องและที่นั่นจะมีเทพพบุตรใจดีรอคอยคุณอยู่ด้วยนะคริส ใิฝีปากอันแห้งผากนั้นมีรอยยิ้ม น, น้อยๆดีจังฉันอยากเห็นฉันจะตื่นเมื่อแสงตะวันขึ้นหิวไหมคริสไม่ไม่หิว คุณต้องได้รับน้ำเกลือเข้าใจไหมมิฉะนั้นคุณอาจไม่ได้ตื่นอีกแล้วก็ได้หลับปะดีสิหลับนิรันดรปัจจุสมัยไม่มีอีกแล้วคิดมานานแล้วนานแสนนานว่าเมื่อไหร่ พรุ่งนี้จะไม่มีสำหรับฉันเบนเตรียมน้ำเกลือเสร็จเรียบร้อยในขณะที่รพินหลอกพูดอยู่ริมหูในภาวะเคลิมนั้นเขาพยักหน้าเบงก็แทงเข็มเข้าไปเข้าเส้นเลือดที่แขนทันที ลอนอาจจะผสมอะไรต่ออะไรเข้าไปบ้างเพื่อคนป่วยฟื้นคืนตัวและมีกำลังโดยเร็วที่สุดคริสติน่าไม่มีความรู้สึกเลยในขณะที่เข็นแทงเข้าเส้นเลือดเชิดวุธประคองกระป๋องซุปมาพร้อมกับสแตนลีและคิดซึ่งพากันมามุงดูอยู่ด้วยแต่เบลเอานิ้วแตะริมฝีปากเชิงให้ทุกคนเงียบสงบและทำบุบายาบให้เชิดวุษนากระป๋องซุปออกไปก่อน คิดกับสแตนลีย์พอเห็นสภาพนั่นเข้าก็าตกใจอย่าห่วงเลยค่ะอาจารย์คิดด้วยไม่มีอะไรมากหรอกนี่นะเป็นวิธีเดียวที่จะเรียกพระกำลังของคริสให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดขณะนี้นะเขากำลังสลึมสลือไม่ค่อยจะได้สตินักหรอกอันเดอร์สับคอนเชียสแล้วพินกำลังพูดหลอกสักถามอะไรถ้ายังหลอกอยู่แบบนี้ปเดี๋ยวมีอะไรในใจก็บอกหมดอ่ะ ขณะพูดหล่อนชำเลืองค้อนไปทางพรานใหญ่ส่วนเชิดบุตรก็ชี้ใบมาทางกระป๋องซุปที่อุ่นด้วยแอลกอฮอลส่งควันกลุ่นระพินตีใบนายทหารหนุ่มจัดการกินซะเองหรือมิฉะนั้นก็วางไว้ตรงนั้นแหละเอาไงกันเนี่ยคืนนี้เห็นแล้วไม่สบายใจเลยหัวหน้าคณะประสิทธิ์ก็เป็นหน้าที่ของรพินม้างแล้วล่ะคะ่ะ ที่จะต้องคอยดูแลคริสคืนนี้ตอบแทนนักแค่ครั้งหนึ่งที่คริสเคยอดหลับอดนอนเฝ้าออเข้ามาแล้วอ่ะคิดเอาถุงน้ำเกลือในแขวนกักระรอกไม้ที่ห้อยลงมาตรงนั้นหน่อยที่ระวังให้มั่นคงไงอย่าให้มันหล่นลมาสิละหมอเบลสั่งทุกคนปฏิบัติการช่วยเหลือในทันทีเท่าที่จะช่วยกันได้ปิดพลัสเตอร์ทับเข็มที่ปักเข้าเส้นเลือดเอดรียบร้อยแล้ว เบงก็บอกให้หัวหน้าคณะคีตและเชิดวุดถอยออกมาเอาละสำหรับพวกเราพักผ่อนกันได้ละตอนนี้หน้าที่ดูแลคนป่วยกระเวยยามก็เป็นของพลานใหญ่กับคนของเขาฉันเองก็แทบจะยืนไม่ติดอยู่แล้วแล้วหล่อนก็บอกการพินเป็นเชิงก่ําชับว่านี่คุณดูแลให้ดีนะยายเข็มหลุดล่ะ ประมาณตีหนึ่งก็คงจะหมดละเพราะให้แค่ห้าร้อยซีซีเท่านั้นคุณจะนอนก็ได้แต่ยก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะขอให้นอนไวหน่อยเท่านั้นไปไปขนเครื่องนอนสับประรังเคของคุณมาที่นี่ยัไงไงก็เป็นสุภาพบุรุษมาแล้วนี่ก็ขอให้เป็นตลอดชีวิตแล้วกันพรนใหญ่ปฏิบัติตามโดยดีลุกขึ้นหึบากคุณจัดอร่อยเหาะดีเหลือเกินนะ ต ล, ลอดทั้งวันและคืนนี้เลยหมอเบล re. ก็พูดแต่เรื่องไร้สาระที่ดูว่างี่เง่ามานานนั่นี่ขอพูดเดีมันแทงใจดำคนจะมั่งสิจะได้รู้จักไวคุณเห็นฉันเป็นไงเป็นวัตถุ่วงความคข้ประการเดียวเท่านั้นนะรพินก้มสีสั่งคำนับให้ไม่ต่อ้อต่อเถียงอะไรเดินไปยังบริเวณที่เคยอาศัยยึดนอนของเขาทันที เตียมขนเคลื่อนย้ายของมาฝ่ายนายจ้างด้วยความอ่อนเพลียขีดสุดต่างลงนอนกันแล้วเชิดวุฒนั้นมีอาการผุดลุกผุดนั่งชะ ง, งึงมองข้ามตัวสเตนลีและเบลไปยังคริสติน่าอย่างกังวลห่วงใหญ่แต่คงจะมีการพูดจาหรือ ก, กําชับสั่งอะไรไว้แล้วจากเบลเขาจึงยอมเอ็นกายลงนอนที่เก่าไม่ได้เคลื่อนย้ายมานอนอยู่ทางด้านแม่ผมทอง ซึ่งบัตรนี้สงบนิ่งอยู่ในอาการเดิมรพินเดินมาบิดกายอย่างเมื่อยขบยืนมองฝาความมืดไปรอบด้านเหมือนจะเข้าชานอ่านเหตุการณ์ในราตรีนี้ว่ามันจะมีสัญญาณร้ายใดๆบ้างหรือไม่เสียงคุยกันซุบซิบซุบซิบถ้าจะแว่วมาบ้างก็มีเพียงจักกลุ่มของพวกลูกหาบที่จับ ก, กลุ่มนอนกันอยู่เป็นหย่อมย่อ ม, มแวดล้อมคณะของฝ่ายนายจ้า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 แม่จะไม่ต้องหันมามองสัญชาตญาณเคยชินก็สามารถจะบอกได้ทันทีเพราะเคยชินกันมานานมีไรเหรอบุญคำเขาถามขึ้นมาเบาๆป่าวเห็นนายยืนเหงาเหงาอยู่คนเดียวก็เลยมาดูว่านายจะกระโดดเขาตายเมื่อไหร่จะได้คอยฉุดขาวไว้ก่อนโอดทะลึ่งไม่ได้นะเรา ไปไปไ ป, ไปนอนสักทีป่ะแล้วก็บอกทุกคนให้หลับให้สบายที่สุดบนนี้และคืนนี้เชื่อว่าคงไม่มีอะไรหรอกบุญคํายังไม่ห่วงหรอกตอนที่นายแอบหนีไปเมื่อตอนบ่ายเนะ่ะบุญคําก็แอ บ, บไปนอนหลับเหมือนกันงั้นคริสเป็นไงม้างฮะนายเห็นต้องเติมน้ํามันต่อสายเข้าเส้นเลือดเหมือนนายไกย่เอิงในคราวนั้นไม่มีผิด แล้วก็มัวแต่ฟุตฟิตฟอไฟตตุกกระไดขาหักอยู่ทั้งกลุ่มไอ้คาก็ฟังออกมกั่งไม่ออกมกั่งแต่ไม่ออกเสียละมากกว่าพระวบินหันกลับมาในเงาสลัวเขาเห็นตาพรานเท่าสมุนขวาย่อนตัวลงนั่งยองๆกับพื้นกำลังจุดบุหรี่ใบตองแห้งของแกอยู่จึงซึดตัวลงนั่งที่แง่หินด้วยโยนซิปโป่ไปให้แก ไม่เห็นว่าแกพยายามจะขีดไหมขีดไฟอยู่สองสามครั้งแต่ไม่ติดสักทีแต่เท่าฉวยไปจุดไอ้ที่ฟังไม่ออกก็รู้ละแต่ไอ้ที่ฟังออกฉันยังไม่รู้เลยไหนลองบอกสิอะไรมั่งที่บุญคำฟังออกไอ้ก็แปลว่ากูยูกบแปลว่ามึงเย่ก็แปลว่ะ เออเซอร์ Sir. ความจริงมันควรจะแปลว่างโง่แต่ไง น, นายถึงบอกว่าถ้าจะรักคันกับนายห้างบ๊อบก็ต้องไหวแกเซอร์ทุกทีบุ้งคําไม่เข้าใจทำไมนายห้างบ๊อบกแกเซอร์นักหรือไงจะกลุ่มแสนกลุ่มเพียงไรระพินก็ยังพอผ่อนคลายอารมณ์ไปได้มั่ง เมื่อมีโอกาสได้พูดคุยอะไรกับมือขวาจอมแก่นกระโหลกของเขาอดหัวเราะออกมาเบาๆไม่ได้โครงหัวช้าๆฉันกำลังอารมณ์ไม่ค่อยจะดีอยู่ด้วยนะบุญขำหยุดบุหรี่เสร็จก็ไปนอนเถอะไปขึนอยู่ช้าก็จะถูกโบกซึ่งแปลว่ามังเงกที่เขกบานเสียงดังโปกกูจ้าโน บุญคำทําพองคอเสียงห้าวเหมือนฝรั่งพูดสั่นหัวงุกงิิดป้อของนายน่ะมันภาษาไทยแต่ภาษาฝรั่งพวกนั้นน่ะบุญคำได้ยินในคิดกันนายทหารเชริดบุตรแอบดูบั้นท้ายของหมอเบอรแล้วพูดคำนี้อยู่บ่อยๆอะไรนะตลกโลนประจําป่าทําเป็นเกาหัวนึก อ๋ออ๋ออ๋ อ, อนายคีตแกพูดกันายเชิดบุตรว่าวิญยุบโปกเธอทุนไหนนายทหารจะตอบว่ายังไงบุญคำก็จำไม่ได้แล้วเพราะได้ช่องเหมาะบุญคำก็ถามนายทหารว่าไอเจ้าคีดน่มันว่าอะไรนายทหารแกก็หัวเราะคิคีๆๆๆ บอกว่าไอ้หัวเกรียนะมันถามแกว่าคือเนี่ยแกจะโปก๊กแมนเบยรย์ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ปอกฝรั่งอนะมันคงไม่หมายถึงการเขกรบบานอย่างนายว่าเนี่ยแหลรับพินขมวดคิ้วนิดนึงแล้วเพื่อจะนึกถึงสแลงสับ ป, ปะดนขึ้นมาได้ซ่อนยิ้มถามแกว่าอ่ะแล้วกันแปลว่าไง บุญคำยิงฟันหัวร่อยฮิฮิแล้วทำมือขยุก ข, ขยิกเป็นความหมายให้ดูรับินเอื้อมไปสับมะงเงกแต่ไม่ถูกเพราะตาเท่าจอมสัปปะโดกรู้ทันเบนหัวหลบซะก่อนภาษาอย่างเงี้บุญคำจับสำเนียงเรียนได้เร็วมากนะแต่ทีก็าพูดกันอย่างอื่นลรฟังไม่รู้เรื่องโธ<ฮ>่ของมันชออยู่แล้วนานาย นายทหารสอนอะไรในภาษาอย่างว่าให้คำหลายคําอะแต่ห้ามพูดให้แหม่มสองคนนั่นได้ยินก็บอกว่าลูกแฟงนะ่ะพูดได้แต่ลูกฟักนะ่ยอย่าไปพูดก็แหม่มแล้วก็ห้ามเมธบุญคําถามแหม่มว่าจะเอาพริกมั่งไหมบุญคําถามอะแหม่มกินพริกไม่ได้แล้วมั่งก็ก็บอกว่า แมมสองคนนะ่ะกินพริกพอจะได้มั่งรอกแต่พริกของบุญคำน่ะมันคงจะดอกเล็กๆเกียวเหียวแมมคงไ ม, ม่ชอบเอ้นายนายนายอย่าเล่นด้วยบาทาดิว่าแล้วแกก็ยกมือขึ้นกาดมวยเตรียมปิดป้องเมื่อระพินยกเท้ารา่าขึ้นมาทำท่าจะดีออกมาจอมพรานจุปากเบาๆไห้อีตานี่ หัดภาษาฝรั่งระดับใต้สะดือแบบนี้ไปให้ดีเอออีกหน่อยมนตราอาคมที่รําเรียนอ่ะผือเสื้อหมดไอ้เรื่องพันนี่น่ะเรียนได้เร็วจริงๆแต่คำนี่แต่ก็ระวังนะถูกแมมคนใดคนหนึ่งต่ให้่สักวันนะ่ะหรือถูกไอ้ยักษ์ขี้น่ะบีบคอเอาฉันไม่ช่วยนะ <c oughs> ไอ้นคยขีนะะ้น่ะอลยย่โถบุญคคำเล่นกลกลืนลูกเอ็มสิบหให้ดูหน้าตาเฉยมันก็ เลือกแล้วไม่กล้ามายุ่งอะไรกับบุญคำอีกแล้ว น, นายยังไม่ได้บอกบุญคำเลยว่าแมมคริสแกเป็นยังไงมั่งดูท่ า, าทางจะไม่สบายมากไม่ใช่หรือถึงก็ต้องเติมน้ำมันเข้าเส้นเลือดแบบนั้นอะระพินถอนใจนิดหนึ่งดีดก้นบุรีกระเด็นไปกระทบหินห่างออกไปแตกเป็นลูกไฟกระจาย อาการเขาก็ไม่ค่อยจะดีนักแต่เติมน้ำมันแบบนั้นแล้วพรุ่งนี้ก็คงจะแข็งแรงดีเหมือนเดิมแมมคริสนีกก่ยเขาเป็นคนทรหดแข็งแรงอยู่แล้วเชื่อว่าคงจะหายเร็วอะ่ะบุญคำหันไปมองดูทางกลุ่มของคณะนายจ่าแล้วนั่นพวกนั้นอะเขากันแกไวัยนอนริมสุดเลยหรอทำไมเขาไม่เอาไว้ตรงกลางเวลานอนล่ะนาย บุญคำเป็นคนช่างสังเกตและช่างซักไซส์อยู่ไม่ใช่น้อยตามสัญดานที่เขารู้ดีอยู่แล้วจะปิดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เลยต้องบอกไปตรงๆพวกนั้นน่ะเขาเพลียกันทั้งหมดน่ะแหละบุญคำคงหลับเป็นตายหมอเบน ก, ก็เลยสั่งฉันไว้คอยอยู่ใกล้ๆแมมคริสให้คอยดูแลอาการแทนเขาคืนนี้ฉันก็เห็นจะต้องย้ายที่นอนไปนอนกั้นแมมคริสไว้ทางด้านโ น, น่นล่ะ อ้าวอ้าอ้าเอ า, เอ า, เอ า, เอาแล้วนายน่ะเป็นหมอเรอถึงจะดูแลอาการของแหม่มคริสได้ว่อิตะนี่ถามมากซะจริงฉันรักษาพยาบาลไม่ได้หรอกแต่หมอเบนเขาใหช้ช่วยคอยดูเห็นถ้าไม่ดียังไงก็ไปปลูกหมอบุญคำยักคอ ง, งึกงึกยังเพิ่งจะเข้าใจนี่นาย ถึงแมมคริสแล้ววันนี้บุญคําเห็นแล้วก็น่าสงสารดีละที่นายช่วยดูแลแกมั่งเพราะตอนที่นายเจ็บตอนตกเหวนะ่ะนะถ้าไม่ได้แมมคริสนายก็แย่เหมือนกันไหนจะไต่เหวลงไปเอาตัวนายขึ้นมาไหนจะรักษาพยาบาล น, นายตลอดทั้งคืนบนหน้าผาตะเคียนทองนั่นนายช่วยแกมั่งก็ดีเหมือนกันทีเขาทีเรา บุนคำน่ะจับยามสามตาดูแลผู้หญิงคนนี้จะไม่มีภัยอะไรสำหรับนายหรอกและถ้าภัยมาถึงนายเมื่อไรแกก็คงจะช่วยนายเต็มที่เลยเราที่สังเกตดูนะ่ะสำคัญว่านายนะ่ะอย่าโป๊กเอาแกเข้าเท่านั้นขืนโปกนายก็อาจหล่นโปกลงไปในหิวหรือพลัดตกเขาขอหากตายเมื่อไหร่ก็ได้ ว่าแล้วแกก็ยานคางดัดจริตร้องเพลงเก่าๆต่อหนึ่งขึ้นมาพร้อมทั้งลอยหน้าลอยตาว่าสัญญาสัญญาสัญญาสัญญาสัญญาจะรักน้องแนบอุรารักเดียวคว า, ามรักไม่แปรสักแม ฮิตเดียวฮิตเดียวฮิตเดียวฮิตเดียวฮิตเดียวยิงใดไม่ปองของเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ของเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยกะผิงยิง้งมองแกด้วยประกายตาแจ่มใสเป็นครั้งแรก บุญคำตั้งท่าจะหลบบาทาอีกแต่เขาก็ไม่ได้แสดงความฉุนเฉียวใดๆทั้งสิน้นไม่เลวนี่ร้องเพราะบุญคำน่ะทาให้ฉันมีความสุขแล้วก็ความหวังได้เป็นครั้งแรกสําหรับวันอันแสนจะหนักวันนี้นะบุญคำเอื้อมือมาบีบหน้าแข่งเขาไว้นายนายมีความสุขมีความหวัง ไอ้คำก็พลอยสุขพลอยหวังไปด้วยลนะ่ะก็มีเราเบานายกันอยู่สองคนดังนั้นแหละที่รู้ใจกันจริงปะคำพูดของบุญคาแม้จะดูว่าไม่มีความหมายอะไรนะักแต่มันก็ซึมลึกเข้าไปในดวงจิตของเขาจริงสินะยามนี้จะมีใครที่จะมายั่งซึ้งความรู้สึกจิตใจของเขาดีเท่ากับบุญคํา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 ไหนไหนลองเล่าฟังบั่งดิระหว่างที่พวกนั้นรอคอยอยู่บนเชิงเขาโดยไฟไหม้ลุกอยู่ยังทุ่งแฝดและไม่มีใครมองเห็นฉันอะ่ะอีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นม้างโอ้ยนายตอนนั้นนา่ากลัวมากเชูนายขนาดบุญคําเองยังคิดว่านายน่ะมีโอกาสรอดได้แค่หนึ่งในสิบเท่านั้นแหละอีตอนนั้นนายคิดกับนายห้าง บ, บ๊อบเอาเครื่องดับไฟอ่ะนะใส่ชุดเหมือนพวกระดาน้านั่นแหละ บุกตะลุยก็ไปช่วยพวกเราออกมาก็ช่วยได้แค่พวกของบุญคำเท่านั้นแหละไม่พบนายน้ํายาดับไฟก็หมดแมมคริสกับแมมเบรนกับเพนเออกมาได้ก่อนแมมคริสดุยิ่งกว่าเสืออีกตอนนั้นอะ่ะไม่ยอมฟังเสียงอะไรทั้งนั้นแหละไล่พวกบุญคําก็ลูกหาไปถอยหนีไฟขึ้นมาบนเขาบุญคําก็พะว้าพะวังเลี้ยวหน้าเหลี้ยวหลังเป็นห่วงนายอยู่ไอ้พวกนั้นก็ไม่ยอมเดิน แม่มคริสตะวาดลั่นให้ถอยหนีใครเดินไม่ทันใจแกแกก็ทั้งผลกักทั้งเตะทั้งถีบหัวงีสซุกซนน่ะไปตามตามกันเลยบุญคำยังคิดในใจเลยว่าอีหานี่มันร้ายจริงยิ่งกว่าผู้ชายได้อีกดูท่าทางแกจะไม่ห่วงนายเลยนะตอนนั้นนับจำนวนดูพวกเราพอครบก็ต้อนหนีไฟขึ้นมายังก็ต้อนบวต้อนควายเนี่ยพวกบุญคำก็เลยต้องวิ่งจัน คื อ, อยูชากลัวแม่ยิงก้นทะลุกอนายไม่เห็นตอนนั้นแมมคริสนากลัวที่สุดเลยบุญคงนี้ไม่เชื่อตาเลยขนาดแมมเบลเดินช้าหน่อยเดียวแม่ยังถีดะหลังแอนโอ้โหรายนี่นะบทจะรายขึ้นมาน่าดูแท้รพินเลิกคิวมีสีหน้าเฉนงนนิดๆยังยิ้มอยู่ถึงงั้นชั่วรลในไงต่อ พอเราขึ้นมาอยู่บนเนินเขาผ้นไอไฟมาได้หน่อยนายทหารเชิดบุตรทะเลาะกับพวกฝรั่งเป็นการใหญ่บุญคำฟังไม่ออกหรอกแต่พอเดาได้ว่าแกคงจะให้เข่าไปค้นหานายนั่นแหละแต่แมมคริสจะรังกระชากตัวไวเลยต้องหยุดดูไฟกันอยู่ที่นั่นแล้วอยู่ๆต่อมาอีกพักใหญ่ก็อะไรขึ้นก็ไม่รู้สิเหมือนผีเขางั้นแหละแมมคริสเองนั่นแหละ กระรองครี๊ดกรี๊ดเรียกชื่อนายเอตบาโรขึ้นมาแล้วก็วิ่งลงจากเนินเขาจะเข้าไปในทุ่งไฟข้างล่างมันกลับกันซะแล้วแหละตอนนี้พวกผู้ชายก็ช่วยกันตะครุบจับตัวไว้มันตอนนั้นบุญคําดูแหม่มคริสตจะไม่ได้สติไม่ก็บ้าไปชั่วัน่ะพวกผู้ชายตัวโตโ ต, ต, ตนายทหารงี่นายคีดนี่นายหัางบอ๊อบนี่สามคนยังจับไว้แทบไม่อยู่ แม่ดินสบัสดิดูพลาดพลาใกล้ตอนนั้นเองอ่ะที่แม่มเบลนมโตน ว, วิ่งไปข้างหน้าต่อยโครมเขาให้ที่ปลายคางแม่มคริสก็เลยร่วงลงไปนอนนิ่งนับสิบไม่ลุกช่วยกันพยาบาลกันอยู่พักใหญ่ดูเหมือนแม่มเบลจะจับฉีดยาตอนที่ยังสลบอยู่นั่นด้วยผู้หญิงฝรั่งสองคนนี่มีอะไรแปลกๆนั้นนายคนหนึ่งบ้าขึ้นมา คนหนึ่งสติดีอีกคนแข็งแรงเด็ดขาดขึ้นมาอีกคนหนึ่งจะบ้าไปบุญคำเห็นแมมผมแดงเน่ะไม่เห็นดุร้ายอะไรสักนิดแต่ตอนต่อยแมมคริสคว่มไปโอ้ตอนนั้นยังกันนักมวยแชมป์โลกเลยลวกเดียวไม่กะระอบตามปกติแล้วแมมเบนน่ะกลัวแมมคริสจะตายไป ดีแต่เดินย้ายตาโพขาอ่อนนี้เบียดกันเอียดเอียดแต่บทจะดูขึ้นมาบ้างหูหน้าดูเหมือนกันเกินเชื่อเลยจอมพรานั่งเบิกตาฟังลูกน้องเขาเล่าอย่างฉงนฉงนระคนประหลาดใจเขาเพิ่งจะมาได้รายละเอียดเอาเดี๋ยวนี้เองจากคนของเขาเองเพราะเพิ่งมีโอกาสได้พูดคุยกันเสียงตาคาบอกต่อมาว่านาย อะไรอะไรมันค่อยดีขึ้นก็ตอนที่ทุกคนได้ยินเสียงวิทยุเรียกจากนายนั่นแหละอะและบุญคำจันเ อ, อิร์เสยคิดว่าฉันจะเอาตัวไม่รอดออกมาจากกองไฟนั่นเหรอโทรก็นายไม่สัญญาณอะไรออกมาเลยนี่วิทยุก็มีอยู่ก็ตัวจะบอกมาสักนิดก็ไม่ได้บอกกงกงก็นึกว่าสุกเป็นไก่อฟังไปแล้วเหมือนกัน ว่าเธอต้อยเชื่อมือนายสกแกไหนก็ตา ม, มก็บอกแล้วว่ามันเป็นความผิดของฉันเองที่ไม่เสียงใดๆมาเลยก็เพราะไม่นึกไงว่าพวกนั้นจะเข้าใจว่าฉันหนีไฟไม่รอดโง่ขนาดไหนจะยอมให้ไฟครอบตายถ้าบุญคำฉลาดสักนิดช่วยพูดปลอบใจพวกนั้นไว้ว่าถึงยังไงซะฉันก็จะต้องเอาตัวรอดออกมาได้เขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใ ย, ยกันถึงขนาดนั้น เอ้ากบุญคำไก่บวกนั้นก็นึกว่านายก็เหลือแต่กระดูบไปแล้วนะทีถึงได้นั่งหน่าแห้งแง่แก่กันอยู่ไงแกว่าดูดบุหรี่ใบตองแห้งฉุนกึกแดงอยู่ว่าว่านั่งเอามือกอดเขา่าในระหว่างที่เขายังนั่งเอามือลูปเส้นผมแกอยู่แกก็เอ่ยเป็นงานเป็นการต่อมาว่านี่นาย บุ่งคำว่าจะหาหรืออะไรก็นายหน่อยเกือบลืมไหมล่ะเพราะมียุ่งยุ่งแทรกรามสารพัดอะไรอ่ะนายนายพอ น, นึกออกไหมที่ทุ่งแฟกอะก่อนที่เราจะมาจุดไฟเผยหญ้าเพื่อดักทางไล่ไอ้าฟป่าฝูงใหญ่ฝูงนั่นไงหึทำไมอ่ะก็พวกมันหากินอยู่หลังเนินเขาเตียเต๋ยวลูกนึง ทางด้านขวามือของเราขณะที่เราบายหน้ามายังเนินเขาลูกนี้นายว่าทำไมไอ้ทรพีเขางงนับร้อยๆตัวพวกนั้นมันถึงได้เกิดการแตกตื่นแล่นกันตาราดไปหมดแล้นายรพินเงยหน้าขึ้นทันทีเขาก็เพิ่งจะมานึกออกเอาเดี๋ยวนี้เองเหมือนกับเมื่อลำดับภาพย้อนหลังไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา ใช่ใช่มันคงจะต้องตกใจอะไรสักอย่างไม่งั้นไม่ห่อกันมาอย่างนั้นหรอกแล้วนายว่ามันแตกตื่นอะไรละ่ะเขาขมวดคิว้วนิ่งคิดแล้วสันน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะบุญคำเดาไม่ออกแล้วบุญคําว่ามันตื่นอะไรละ่ะนายตอนนี้นะ่ะเราย่างเข้าเขตนะรกดําแล้ะน า, นายนก็ใช่อะสิแล้วไง บุญคำหัวราอเสียงแป่งอยู่ในลำคอนายเราก็ผ่านนรกดำกันมาก่อนแล้วมันมีอะไรที่เราเดาหรือคิดไปไม่ถึงหลายๆอย่างไม่หิงสาแตกตื่นอะไรนายลองเก็บเอาไปคิดก็แล้วกันบุญคำเองก็ยังคิดไม่ออกตอนนี้แต่ก็คิดอยู่ตลอดเวลาไอสัตว์ดุร้ายรวงฝูงอยู่มากๆโตแบบนี้ มันเคยกลัวอะไรที่ไหนแต่นี่มันตกใจกลัวถึงได้เห็นกันควบจะบึงไปทั้งฝูงนี่ระพินเอานิ้วจี้ขมัดทั้งสองข้างของตนเองพึมพำถ้าฉันจำไม่ผิดนะในห้างบ๊อบเขาก็คงถามฉันในขณะที่เราจุดไฟที่ทุ่งแพรทุ่งแฝกเป็นม่านกั้นไว้เพื่อไม่ให้พวกมันวิ่งมาเหยียบเราเหมือนกัน เขาถามว่ามันแตกตื่นอะไรตอนนั้นฉันก็ตอบมันไม่ถูกเจ้าว่าโดยอิทธิอำนาจหรืออุบายของไอ้ผีดิบมันไรที่จะหาเรื่องให้กองทัพควายเหยียบเราก็ไม่น่า จ, จะเป็นไปได้เพราะมันบังคับได้แต่เฉพาะขลุ่นช้างเท่านั้นเท่าที่เราเห็นเห็นกันมาแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นอยากอะไรก็อย่าไปคิดให้หนักสมองเลยบุญครับฮะไปนอนเถอ สมุนเท่ามือดีของเขาลุกขึ้นแต่แล้วก็ชะงักเมื่อระพินทักมาว่าอเดี๋ยวก่อนเข้านอนคืนนี้เตรียมผ้าพลาสติกสาหรับกันฝนไว้ด้วยนะมันอาจจะตกกลางดึกก็ได้ฝนเหรอตาเท่าร้องทำหน้าแปลกใจแล้วหัวรอ้อฝนที่ไหนกันนาย ฟาออกแห้งตลอดทั้งปีทั้งชาติแบบนี้ขนาดแหล่งน้ำเราก็ยังหาไม่ได้เลยบุญคำรู้นะว่าที่นายพยายามจะไต่ขึ้นทางไปด้านซ้ายของเขานกแรงหรือนกอินซีนี่นะนายต้องการจะไปหาน้ำบนนั้นน้ำของพวกเราน่มันร่อยรอลงไปเต็มทีแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่พบน้ำก็หมดเกลี้ยงแล้ว บุญคำรู้ทันอ่านความคิดเขาได้กว่าครึ่งจากคําพูดของแกแม้จะไม่ถึงขนาดแง้ายในยุคก่อนนี้ก็ตามอาศัยที่ร่วมชีวิตในป่ากันมานานฉันก็มองไม่เห็นคาวเลยว่าฝนจะตกในคืนนี้แต่บางทีเราก็ต้องเชื่อพวกฝรั่งมันเหมือนกันอะพักพวกมันที่ควบคุมการเดินทางอยู่บนฟ้าเหนือหัวเราขนาดนี้ วิทยุลงมาบอกพวกข้างล่างเมื่อตอนบ่ายนี่ว่าอาจจะมีฝนตกในคืนนี้ได้พวกนั้นมีเครื่องมืออ่านดินฟ้าอากาศได้แม่นตึ๊ดมึงคำไม่เฉื่อยหรอกถ้ามันมีเครื่องมือดีเหนือกว่าเทวดาฟ้าดินบ่านนี้มันก็รู้ละสิว่าเครื่องบินของพวกมันที่ตกอะไปตกอยู่ที่ไหนไม่ต้องมาจ้างพวกเราให้มาเดินหาแบบนี้หรอกานนั่นกับบุญคำก็ได้ว่าไม่มีทางที่ฝนจะตกคืนนี้หรอก และเราก็ต้องอดน้ำแงงแง่แต่พรุ่งนี้ปีิขึ้นไปไม่ถึงยอดเขาตรงหัวปีกด้านซ้ายของไอ้เขาอีแรงนี่เอาเถอะเอาเถอะถึงบุญคำจะเชื่อยังไงก็ทำตามที่ฉันบอกไว้ก่อนแล้วกันเกิดฝนมันเทลงมาก็จะได้เตรียมกันทันไม่ต้องมาคลุกคลักอยู่ได้ตามใจนายแกบอกอย่างง่ายๆแล้วก็เดินพลักไปจัดการแก้รื้อเอาผ้าพลาสติกออกมา เตรียมพร้อมไว้ทางบ่นไรเงึมงำเงึมงำระพินคว้าได้กระสอบป่านปูนอนของเขาเป้หนุนหัวและไรฝเฟินเดินหิ้วตรงไปยังบริเวณที่แม่เคมีฟิสิกผมทองประจำคณะนอนอยู่ด้านหนึ่งเป็นเบีซึ่งนอนหลับไปแล้วส่งเสียงกรนเบาๆเขาปูกระสอบป่านลงวางเป้ลงแทนหมอน ไรเฟินแนบอยู่ข้างกายและสุดตัวลงนั่งชะงโงกหน้าไปดูที่ปลายเข็มน้ำเกลือซึ่งเบลเสียกและใช้พลาสเตอร์ปิดไว้ที่หลังแขนของคริสจะเป็นเพราะคนป่วยยกแขนขึ้นมาวางประสานกันไว้บนสวงอกหรือการเคลื่อนไหวอย่างไม่รู้ตัวขณะที่หลับอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทราบได้จากแสงตะเกียงแบตเตอรี่ดึมๆที่เปิดตั้งไวเขารู้สึกว่าเข็มจะหลุด จากที่ปักเอาไว้จอมพรานใช้ไฟฉายประจำตัวส่องดูทันทีแล้มันก็จริงอย่างว่าเข็มหลุดและหยุดน้ำเกลือซึมอยู่นอกผิวหนังของหล่อนจะปลุกเบงก็เกรงใจเพราะเห็นหลับสนิทไปแล้วถนะดทดลองเอื้อมมือไปแตะเขยา่าเบาๆที่ไหล่แม่ผมแดงยังไม่รู้สึกตัวจึงจำเป็นที่จะต้องจัดการด้วยตนเองแลวเขาจะจัดการยังไง แทงเข็มเข้าเส้นเลือดใหม่อีกครั้งโดยที่ไม่บอกให้หลอนรู้ตัวและวางแขนไว้บนซวง อ, อกเช่นนี้มันก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้คริสเขาจ่อริมฝีปากที่ริมซอกขูหลอนกระซิบเบาที่สุดหรือตาของหลอนเต้นพลิวเป็นระลอกอีกครั้งฮัวยูคนที่คุณเคยบอกว่าอามาหิต ใจหินใจดำที่สุดไงคริสติน่าลืมตาขึ้นอย่างยากเย็นพบใบหน้าที่กม้มลงมองอยู่ก่อนแล้วหล่นมองนิดหนึง่งแล้วเลยขึ้นไปบนท้องฟ้าดํ่มืดประดับไปด้วยจุดทองแห่งดวงดาว <c oughs> คุณมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> เข็มน้ำเกลือของคุณหลุด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 เช่นนั้นก็เห็นับผมเห็นกันายระพินคนนี้ครัเก็บความกรุณาห่วงหาอาทรของคุณไว้ให้กับคนอื่นเถอะสำหรับฉันโนระพินถอนใจลึกเขาตั้งใจเด็ดขาดแล้วที่จะไม่ปลุกเบนขึ้นมา และจะต้องทำหัวใจอัญชากระด้างหมางเมินของคริสติน่าให้อ่อนโยนลงให้ได้ถอดกายลงนอนข้างๆหล่อนวางมืออบอุ่นลงบนหลังฝ่ามือของหล่อนที่ประสานกันอยู่บนอกแล้วบีบเบาๆคริสคุณกำลังมองท้องฟ้านะใช่ คุณเห็นอะไรบ้างล่ะเห็นดาวลองนับดูสิคริสมีกี่ดวงนับไม่ท่วนท่วนสิคุณมีอยู่แค่สองดวงเท่านั้นนะค่อยๆเอาเนิ้วแปะที่ดวงตาของหล่อนทีละข้างนี่ยังไง เป็นดาวสีฟ้าสองประกายวาวาวามอยู่นี่ไงไหล่อนเม้มริมฝีปากอันแห้งผากลงนิดหนึ่งแล้วปิดตาลงซะคริ ส, ค, รสคุณชอบบทกวีไหมเขากระซิ บ, บ, บถามแผ่วต่อไปพรานปา่าใจดำอย่างคุ ณ, คณ รู้จักกทกวีด้วยเหรอรู้จักสิจะฟังไหมก็ลองดูงั้นฟังนะ My love My love r My heart is j o u r n i n g for your love on your dreams I tell you look they have come true ริสติน่าน้ำตาคลอพลิกตะแคงตัวไปทางด้านเขาและลืมตาใสาขึ้นดูแล้วฝืนยิง้งถึงแม้มันจะเป็นเพียงบทกวี แต่ในภาวะนี้ฟังแล้วมันก็ทำให้เป็นสุขได้เหมือนกันนะไม่มีความจำเป็นอะไรที่คุณจะต้องมาหลอดฉันนี่เหรอพรานไพรมีหน้าล่ะฉันไม่สงสัยเลยว่าทำไมผู้หญิงคนไหนอยู่ใกล้คุณถึงจะไม่หลง ก็คุณซ่อนความงามในทางอารมณ์ไว้อย่างมิชิดที่สุดภายใต้กรอบหน้าป่าเทือนธมิ น, มนหินชาติาาาเอาจะปักเข<า>็มให้ฉันใหม่<า>ก็<ๆ>เอาฉันยอมนะ้วกล่าวจบหล่อนก็ยื่นแขนให้เขาโดยดีระพินไพยวันรอบถอนใจออกมาอย่างโล่งอก ค่อยๆบรรจงเสือกปลายเข็มเข้าไปในเส้นเลือดของหล่อนจนได้ที่ตลอดเวลาคริสตินานอนมองดูเฉพาะใบหน้าเขาเฉยพอเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ปลาสเตอร์ปิดทับเอาไว้นิ้วแตะริมฝีปากตัวเองแล้วแตะลงไปบนหน้าผากหล่อนพยายามอย่าให้มันเข็มมันหลุดอีกนะน้องสาว แล้วก็หลับซะพรุ่งนี้จะมีสำหรับคุณขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับความพยายามฉันเพิ่งจะได้เห็นความอ่อนโยนนุ่มนวลอย่างแท้จริงของคุณเดี๋ยวนี้เองแล้วก็ขอบคุณสำหรั บ, รบกวีบทนั้ น, น, น, น, นแม้ว่ามันจะเป็นความเท็จก็ตามคุณนะ จากนั้นหล่อนก็หลับตาลงและพริกกายนอนหงายวางแขนราบกับพื้นตามเดิมระมัดระวังไม่ให้เข็มหลุดอีกหนึ่พรานใหญ่สังเกตดูหล่อนอยู่เงียบๆในลักษณะครึ่งนั่งครึ่งนอนของเขาแม่นักเคมีฟิสิกสาวของคณะอยู่ในอาการสงบลมหายใจสม่ำเสมอ เขาใช้หลังมือจับที่ซอกคอแผ่วเบาอุณหภูมิในกายของหล่อนสูงเล็กน้อยแต่ไม่น่าจะผิดปกติเกินไปนักจับที่พระจรที่ข้อมือประมาณ70สครั้งต่อนาทีทุกสิ่งทุกอย่างควรจะเรียบร้อยและไม่น่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆขึ้นอีกเกี่ยวกับอาการของแม่ผมทองระหว่างที่เขาแตะซอกคอและจับที่พจรที่ข้อมือหลอนนิ่งเฉย ไม่ได้เปิดเปลือกตาขึ้นอีกเลยมองห่างตัวไกลออกไปเบลด็อกเตอร์สแตลลีคีตและเชิญบุตรทุกคนหลับสนิทกันหมดด้วยความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียจัดการดึงผ้าข่มหนาผึ้งใหญ่ของคณะให้มาคลุมร่างกายของหล่อนจนมิดชิด ต, ตนเองถอยห่างออกมาประมาณหนึ่งศอกแล้วก็เอ็นกายลงนอนสีสษะพาดเป้ หลังใช้แทนหมอนตั้งใจว่าจะหลับตาลงแต่มันก็ยังคงลืมค้าสว่างโพลงอยู่เช่นนั้นทอดมือลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าดำมืดสะพร่างพร้าวไปด้วยดวงตาสวรรค์นี่เขาเองก็กาลังนับดาวอยู่เช่นกันเป็นครั้งแรกแห่งชีวิตของพรานไพรเช่นเขาที่ไม่อาจข่มจิตให้หลับลงได้ทั้งทั้งที่แต่ไหนแต่ไร จากการที่ฝึกหัดมาจนเคยชินนั้นเขาสามารถจะสั่งประสาทสมองของตนเองได้ ร, ราวกับตั้งนาฬิกาจะให้หลับเมื่อไรตื่นเมื่อใดได้ทั้งสิ่งแต่เมื่อคืนนี้มันเหลือระงับหลับไม่ลงจริงๆใจคลุ้นคิดฟุ้งซ่านพวงนึกไปถึงความรักความหลังป่านชนี้เธอผู้นั้นอยู่ที่ใด ในภาวะไหนหรือว่าจะตัดสวาสดขาดอาไยสลัดระพินไรวันผู้นี้ออกจากหัวใจเะและ้วเขาจะไม่โทษเธอเลยถ้าหากเหตุการณ์มันจะเป็นไปเช่นนั้นแล้วก็ควรจะเป็นเช่นนั้นด้วยผู้หญิงคนไหนต่อให้รักแสนรักบานใดจะมามัวตั้งตาคอยการกลับคืนมาของเขาอีกในเมื่อเขาผลักจากมา อย่างไม่มีความหวั ง, วงที่จะได้กลับคืนไปอีกแล้วเช่นนี้นี่มันเป็นกรรมเก่าแท้ๆ ท, ท, ทีเดียวและดารินวราฤทธิ์ผู้นั้นจะลูวรู้ถึงแก่นแท้จริงใจของเขาบ้างหรือไม่นะหล่อนอาจจะโกรธแล้วก็เลยผานเกลียดเข้าไปเลยก็ได้ที่ผิดคํามั่นสัญญารับปากกันไว้อย่างมั่นเหมาะว่าเขาจะต้องไปพบหล่อนให้ได้ นกวันเกิดที่ผ่านมานั้นแต่แล้วตัวเขาเองก็ต้องมาเดินดงสมสารบอบช้ำทั้งกายใจอยู่อย่างขนาดนี้มันเป็นลิขิตชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆแต่อะไรล่ะที่จะทำให้หลอนมาเข้าใจเขาได้เพียงแค่จดหมายฝากลาไว้สั้นๆมอบให้คุณอําพลไว้นั่นน่ะเหรอเขาไม่แน่ใจว่ามันจะให้ความกระจ่างแก่หลอนได้ เพียงพอจดหมายสั้นๆที่เขียนไว้เพียงว่าลืมระพินคนนี้เถอะครับคุณหญิงคิดซะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมามันเป็นแต่เพียงความฝันก็แล้วกันแต่สำหรับผมก็จะขอรักมั่นคงต่อคุณหญิงเช่นนี้ตราบลมหายใจช่วงสุดท้าย ลืมฝีปากของ <มา S 1> ระพิน์ไทรวันห ม, มุบขมิดกระซิบข้อความนั้นหมู่ดาวอืมอยากให้นายหญิงของผมอะ่ะลืมผู้กองจริงๆงั้นเลอได้ยินเสียงหัวใจของผู้กองร่ำร้องภาวนา น, นักนีดาวตอบมาแต่เสียงเหมือนแงสายในด้วยประสาทที่ตื่นเพราอมูลอยู่เช่นนี้ ระพินแยกออกว่านั่นคือจิตใต้สำนึกของตนเองนน้นนั่นนะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สุดหรอกเลยเอา้าถูกต้องยังไงครับผู้ ก, กองก็ใช้้นทนทุก์เวทนาปวดร้าวทรมานใจไปคนเดียวดีกว่าที่เราจะต้องมาทรมานด้วยกันทั้งสองฝ่ายไง ถ้างั้นผู้กองก็รู้สิว่าอีกฝ่ายนึงก็ตกอยู่ในห่วงทุกข์ทรมานเช่นกันก็คงเพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละนานไปก็คงจะเลือนไปเองผู้กองครับผู้กองที่รักผู้กองรู้จักนายหญิงของผมดีแล้วเหรอที่คิดเช่นนี้อ่ระพินถอนใจ แล้วหลับตาลงไม่อยากจะโต้เถียงกับอะไรที่มันซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจตนเองคุณพระช่วยนี่มันไม่ใช่อนุสติหรือจิตใต้สำนึกซะแล้วพอปิดเปลือกตาลงเท่านั้นเขาก็เห็นเจ้าของประโยคที่โตอตอบกับเขานั่งยิงฟันขาวอยู่บนแง่หินใกล้ๆ ก, กับที่นอนทางด้านซ้ายมือห่างออกไปเพียงแค่เอื้อง เท่านั้นลืมตาภาพก็หายหลับตาภาพนั้นปรากฏอีกมันเป็นอะไรสักอย่างก็สุดที่เขาจะวินิจฉัยได้อดีตคนใช้ชาวดงพเนจรคู่ปรับสำคัญของเขาซึ่งมันจะมาให้เห็นอยู่เสมออย่ามเมื่อเขาตกอยู่ในห่วงพวังรำพื้และผู้คนอื่นใดในคณะ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 นี่ผกองคืนนี้นะผมไม่เห็นว่าผู้กองจะย่ําแย่อะไรนะนอกจากความคิดเท่านั้นละ่ะที่มันย่ําแย่มากๆความคิดของฉันแย่ยังไงเอ้าประดูถูกมิน้ําใจในายหญิงของผมไงฉันก็เพียงแต่ภาวนาขอให้เธอลืมฉันซะเท่านั้นแหละเพื่ออะไรผู้กอง เมืผู้กองจะได้หลุดพ้นจากพันธะแล้วก็เฉวยโอกาสทําอะไรก็ได้ตามใจชอบหรือตามโอกาสเพราะถือว่าตนเองหมดพันธะทางใจแล้วยังงั้นใช่ไหมนี่แกอย่าด่าฉันสิแงส า, ายแกก็รู้ใจฉันดีอยู่แล้วนี่ใจของผู้กองอะ่ะผมไม่แน่ว่าจะรู้ชัดแจ้งนักครอกแต่ที่รู้แน่ๆก็คือนอกเหนือไปจากโรคจับสันประจําตัวแล้ว ยังมีอาการพยาธิทางจิตประสาทอีกด้วยสิก็อาจจะใช่ถ้าฉันไม่มีอาการพยาธิทางจิตประสาทฉันก็คงไม่มั่นปั้นภาพหรือมั่นเห็นแกแต่ยินเสียงเป็นตุเป็นตากอยู่บ่อยๆแบบนี้หรอกเปล่าไอ้พยาธิทางจิตประสาทที่ผมพูดมันหมายถึงโรคที่ชอบทรมานตัวเอง ทำทั้งตัวทั้งใจให้ต้องบอบช้ำทุกเศร้าอยู่เรื่อยต่างหากแล้วสาเหตุก็มาจากข้อที่ว่าตลอดชีวิตคิดว่าตนเองมีแต่ความอาภัพผิดหวังมาเรื่อยแล้วพอจะสมหวังเป็นสุขขึ้นมาบ้างก็แกล้งตัวเองให้ต้องผิดหวังซะอีกผู้กองก็ไม่เชื่อว่านายหญิงจะรักผู้กองจริงผู้กองถึงได้หนีหน้ามาซะไงนี่นี่ นี่แกคิดว่าฉันมีทางหลีกเลี่ยงการเดินทางในครั้งนี้ได้เหรอเอา้าทำไมจะไม่ได้ถ้าผู้กองไม่วางท่าถือตัวเพื่อหวังจะบีบคั้นและทดสอบน้ำใจของนายหญิงว่าจะแน่กับผู้กองสักแค่ไหนก็เธอามาตามไม่ชวนให้ไปกับเธอและผู้กองก็ยังไม่ยอมไปด้วยถ้บผมอะยอมไปกับเธอจะต้งวันนั้นะ่ะ พวกนี้ก็มาตามหาตัวผู้กองไม่พบไงแล้วเมื่อไม่พบผู้กอง ก, ก็ไม่ต้องมานั่งรับคำสั่งจากใครทั้งสิ้นนี่ไงมวัวแต่ไต้าตั้งแง่อยู่เขาก็จีหัวมาใช้งานเลยโทษใครไม่ได้ก็ต้องโทษตัวผู้กองเองอ่ะแหละนี่นายหญิงสั่งแกมาด่าฉันยังงั้นอ่ะเปล่าผมด่าเงแหละไม่ใช่นายหญิงด่าหรอก นายหญิง้จะเอาอะไรที่ไหนมาดดาไม่ว่าผู้กองจะทำอะไรเธอเห็นเป็นสิ่งถูกต้องดีงามไปสมดทุกอย่างเลยและตอนนี้น้ำตาเ็แทบจะเป็นสายเลือดอยู่แล้วเธอเข้าใจว่าเป็นความผิดของเธอเองที่ทอดทิ้งผู้กองไว้แต่ผมว่าเป็นความผิดของผู้กองที่ถือดีเอาชั้นเอาเชิงกับเธอเกินไปเสียมากกว่าไงสายตั้งแต่เราครบพบเห็นกันมานะ แกไม่เคยด่าฉันได้เจ็บปวดเท่าครั้งนี้เอาผู้กองก็ด่าผมม า, มากแล้วไงแต้ผมด่าพวกกองใช่ไหมตอนจะออกจากมรกรนครในครั้งนั้นตกษามั่นไว้ให้แล้วลืมแล้วเหรอ ท, ทอรมานตัวเองอย่างไม่พอยังไปทรมานคนที่ตัวก็แสนรักอีกคนชาตินี้คงไม่ได้พบกันอีกแล้ว สมน้ำหน้าและตัวเองกว่าจะตายก็ยันนึกนึกว่าจะตายได้ง่ายๆต้องสมซานย่าแทนเส็นสาหัสนะและเจ้าสิ่งลี้ลับในมนโนคติของเขาก็ชี้มือไปทางแม่สาวผมทองซึ่งนอนหลับสนิทอยู่ข้างๆเขานั่นไนงะนั่นแหละตัวปัญหาสำคัญที่จะกัดกร่อนกินใจทรมานผู้กอง ทวีหนักซ้ำซ้อนเข้าไปอีกผู้กองรักและซื่อสัตนายหญิงมากเท่าไรผู้กองก็จะยิ่งัวดร้าวทรมานใจเพราะผู้หญิงผมทองคนนั้นมากขึ้นไปเท่านั้นความรักทิ้งไว้เบื้องหลังห่างไกลความเห็นใจกลับผูกพันใกล้ชิดติดตัจะ ก, กลืนก็ไม่เข้าจะคายก็ไม่ออกเฮย้ยแงซ้ายละปวดกระโหลกแทน คือนี่ดูแกจะเ ก, ก ล, ลี้ยกลราดอกกระชั้นเหลือเกินนะไอ้น้องชายระพิน์พูดเศร้าๆร่างสูงรังงานสง่างามปานเทพบุตรแต่อยู่ในชุดกระเรียงดงอย่างที่เขาเคยเห็นนั้นลุกขึ้นยืนฮผมนะเวทนาผู้กองไม่อยากจะพูดอะไรให้เป็นการซ้ำเติมทรมานใจมากไปกว่านี้หรอก ดึกมากแล้วผมไปแล้วนะผู้กองนอนให้หลับสิทะจะมานอนนับดาวนับเดือนอย่างนี้มันหาประโยชน์มรรคผลอะไรขึ้นมาไม่ได้หรอกคืนนี้ก็คงจะไม่มีเพศภัยอะไรสงบจิตใจตัวเองให้ดีก็แล้วกันว่าแล้วร่างนั้นก็ทำท่าจะหมุนกลับเดี๋ยวก่อนแง้ซา ย, ายเดี๋ยว่ันสิ ภาพที่มองเห็นชัดว่าคือแงสายจอมพเนจรในอดีตยืนเบี่ยงกายเอี้ยวหน้าสีทองแดงและตัวดวงตางามขมปราบมาทางเขาพร้อมกับรอยยิ้มน้อยๆคิ้วหนาโก่งยาวเลิกขึ้นเขาเห็นชัดในมโนทวารแม้กระทั่งขนตาดกงอนตั้งแต่เกิดมาระพินยอมรับว่าเห็นผู้หญิงสวยมามาก แต่จนกระทั่งบัดนี้เขาก็ยังไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนในโลกจะมีใบหน้าและเรือนร่างงดงามหมดจดเหมือนแง่ทรายหรือจักรราษแห่งมรกตนครอาการชะ ง, งักรีรอนั้นทำให้เขาต้องการจะลืมตาและดึงกายขึ้นนั่งแต่รู้สึกว่าร่างกายและเปลือกตาหนักอึง้งไปหมดไม่สามารถขยับขยือนได้เหมือนถูกผีอั้ แล้วมันจะเป็นเช่นนี้ทุกครั้งที่นิมิตเห็นแง่ทรายนี่แง่ทรายเดี๋ยวนี้ฉันพิจารณาดูแกนะ่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไปซะแล้วนะไม่ว่าแกจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อแกมาให้ฉันเห็นและเช่นนี้ลองช่วยบอกความหรือตอบคาถามอะไรแกฉันหน่อยได้ไห ม, ไ ม, มอไนอกเหนือไปจากจะมายั่วแย่โทสะ หรเยะเยยพูดจาน็บแนมถากถางกระทบกระเทียบแดดดันอะไรฉันนะผูกองจะให้ตอบอะไรล่ะก็ทุกอย่างที่ฉันจะถามอะเงซายหันมาเผชิญหน้าตรงอีกครั้งผู้กองครับผมจะตอบเท่าที่พิจารณาเห็นว่าจะตอบได้ท่านั้นครับ ถ้าขืนตอบผู้กองหมดทุกข้อที่ผู้กองต้องการทราบมันก็จะเป็นาการผิดสี่ผู้กองก็รู้ว่าผมคือสิทธิ์ของมหาฤาษีโกมทัญญะคนหนึ่งอะไรมันจะเป็นไปก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปครับไอจะไปฝืนยิคิดชีวิตใครนะมันย่อมไม่ได้การบอกอนาคตรหรืออดีตของผู้ใดเป็นเรื่องที่ผู้สงสีไม่พึงปฏิบัติ เพราะมันเป็นอาบัตรครับอ๋อเดี๋ยวนี้แกเป็นผู้ทรงศีลไปแล้วอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ก็อแล้วสักวันหนึ่งถ้าไม่ตายซะ ก, ก่อนผู้กองก็จะเข้าใจได้ดีแล้วครับตอนนี้ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสีดําไปก่อนแล้วกันนี่ไงซายแกยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านี่มีครับมี แต่ไม่ใช่โลกของภูมิศาสตร์หรอเป็นโลกในดินแดนสนธยาก็ตรงจุดนัดพบระหว่างทิวาและราตรีที่ผู้กองเคยผ่านมาแล้วนั่นแหละครับคืนนี้ฝนจะเทนหนักไหมไม่ครับไม่แม้แต่หยดเดียวแต่น้ำพ้างแรงหน่อยและพรุ่งนี้เราจะเดินทางต่อได้ไหมแง่สาย ก็ดูแลแม่ผมทองให้ดีแล้วนะแล้วผู้กองก็จะเดินทางต่อไปได้เงียา ย, ายตอนนี้เรากำลังขาดน้ำนะบนยอดเขาพอจะหาได้ไหมเงี้ยทายยิ้มกว้างออกไปอีกตาเป็นประกายขบขันอ้าวก็ไหนผู้กองบอกแม่ผมทองนั่นว่ายังไงเราว่า ถ้าไต่ขึ้นไปถึงหัวปีกของยอดนกอินทรีแล้วจะพบสักโบกครณีมีหงส์ดำหงสขาวลอยฟ้องอยู่แเป้เข้าใจหลอกเหมือนกันนะผู้ ก, กองเนี่ยทั้งๆที่ผู้ ก, กองเองก็ยังไม่เคยรู้เลยว่าบนนั้นจะมีแม้แต่น้ําสักจุดหรือเปล่าเอาหน้าถึงยังไงพรุ่งนี้ก็ยังไม่ถึงกับมวยมอน ร, รับพินไพรวันซะอย่าง กลัวอะไร